ยะถ า, าวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิพเมวะสมิจัตุสัเพปูเรนตุสังกะปาจันโทปนราโซยะถามณิโชติ ระโสยถ า, าสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพ โ, โรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนศสีลิสานิจังบุต ธ, ธาปจายิโนจัตตาโรธรรมมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลางังอายุวัฏโกธนวัฏโก สิริวัฏทะโกยัวัทะโกพะวัฏทธโ ก, ว, ธโ ก, ว, ธโกวันวัฏทธโกสุขวัทธโกหนตุสภธาทุกขโรัพยาเวราโสกาสัาสตตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุเจตสิสัสสัสยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโน จะโพคังมุทธีจะ ย, ยัสวาสตวัดสาจะอายุจะชีวสิทธีภาวันตุเตภาวะตุสัพระมังคลังราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุพาเวนะสั พ, พสังขานุภาเวนะสะทาโสตีภาวันตุเต